ท่านคงเคยได้ยินคําว่าพระป่าพระประ่าคือพระปฏิบัติพระที่อยู่ตามป่าตามเขาเรียกว่าพระปฏิบัติต่างจากพระบ้านพระบ้านจะอยู่ตามบ้านตามเมืองการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันพระบ้านจะปฏิบัติอ แบบหนึ่งพระป่าจะปฏิบัติอีกแบบหนึ่งพระป่านี้จะปฏิบัติทุดงกรรมฐานพระป่าเลยเรียกว่าพระทุดงกรรมฐานคําว่าทุดงนี้คือข้อวัดอ่าสิบสามข้อด้วยกันอ่เป็นข้อที่ พระสามารถเลือกปฏิบัติได้คือไม่บังคับถ้าปฏิบัติก็จะทำให้การปฏิบัติคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วเป็นเหมือนกับน้ำมันพิเศษน้ำมันคืเบก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้านี่ รถที่ต้องการที่จะวิ่งเร็วๆต้องใช้เบนซิน95อันนี้ก็เหมือนกันทุ่งควัทเหมือนเบนซิน95เศรษ227นี่เหมือนเหมือนเบนซิน91เศรษ227ข้อนนี้บังคับห้ามห้ามเลือกปฏิบัติไม่ได้ ต้องต้องปฏิบัติทุกข้อสีน227ีเนี้เป็นสีนที่พระทุกรูปที่มาบวชนี้จะต้องรักษาแต่ทุดงขวัตส13าข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติพิเศษสำหรับพระที่ต้องการที่จะบรรลุธรรมเร็วๆ ใครอยากจะบรรลุธรรมภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้มักจะถือธุดงควัตกันแล้วนอกจากธุดงควัตแล้วก็จะปฏิบัติกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้ในการควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นพุโทโธพุโทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอสุภะนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง มรณานุสติการระลึกถึงความตายก็เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งกายกตาสติการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอีกอย่างหนึง่งผู้ที่จะต้องการควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบจาเป็นจะต้องมีกรรมฐานเป็นตัวกำกับควบคุม กรรมฐานจึงเปรียบเหมือนกับยามอารอปภที่จะคอยเฝ้าคนานักโทษเนี่ยต้องมีรอปภคอยคุมนักโทษถ้าไม่คุมเดี๋ยวนักโทษจะแหกคุกแหกตารางออกไปได้จึงต้องมีรอปภใจก็เหมือนกัน ถ้าต้องการที่จะควบคุมใจให้อยู่ในความสงบก็ต้องมีกรรมฐานคอยควบคุมเราจึงต้องมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันเรืยว่าจเจริญสติถ้ามีสติเราก็จะสามารถควบคุมกิเลสตัณหาควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้นี่คือข้อปฏิบัติของพระ ปฏิบัติมีอยู่สองข้อใหญ่ๆคือทุดงสิบสามกับกรรมฐานสี่สิบผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกข์ทั้งหลายจําเป็นจะต้องใช้ทุดงขวัตกับกรรมฐานสี่สบถึงจะทำให้ การปฏิบัติก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและสบายคือสะดวกสบายสามารถฟันฝ่านิวรนคืออุปสรรคต่างๆที่คอยที่คอยกีดขวางที่คอยอขัดขวางการจเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ นิวรณ์ก็มีอยู่ห้านิวรณได้แก่หนึ่งกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกามฉันทะวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าปฏิบัติแล้วได้ผลจริงหรือไม่เนี่ข้อที่สาม โทสะความโกรธข้อที่สี่ความงงเหงาหาว น, นินมมิทะข้อที่ห้าความฟุ้งซ่านอันนี้จะเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติรมเพื่อให้ทมจิตใจให้สงบเช่นเวลาจะปฏิบัตินี้บางทียังอยากจะดูละครอย่างนี้ ดูหนังฟังเพลงถ้าไปดูหนังฟังเพลงก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าถือธุดงกวัสนี้ก็จะช่วยได้เช่นธุดงกวัสมีหลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในป่าช้า ถ้าไปอยู่ที่เหล่านั้นแล้วจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพนี่ก็นี่คือประโยชน์ของการถือทุ่ดงขวัตนะุดงขวัตนี่มีไว้แก้ปัญหาคือ อ, อ, นอนิวรนิวรความง่วงเหงาหงานอนถ้าถือทุ่งดงขาวัตฉันมือเดียวรับประทานอาหารวันละมือเดียวครั้งเดียว ศีลแปดนี่ให้รับประทานได้ถึงเที่ยงวันแต่ถ้าถือทุตดงกวัตนี่ก็เหลือแค่มื้อเดียวแล้วก็ต้องก่อนเที่ยงวันทุตดงกวัตนี่จึงมีกําลังมากกว่าศีลนะศีลนี่ยังอนุญาตให้รับประทานได้หลายมื้อด้วยกันหลายครั้งด้วยกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่สว่างถึงเที่ยงอยากจะกินกี่ครั้งก็ได้ะ แต่พอหลังเที่ยงแล้วไม่ให้กินนะสีนห้านี้ให้กินยี่บสี่ชั่วโมงสีนมีมีระดับความเข้มข้นต่างกันมีออกเทนต่างกันสีนห้าสีนแปดสีนสองร้อยยีิบเจ็ดแล้วก็มาทุ่ดองอีก ใครบางทีถือศีลสองรอยิบเจ็ดแล้วยังไม่ยังไม่จุใจเหยียบคันแรงยังไม่พุ่งก็ต้องเพิ่มทุดงควัตนสิบสามข้อพระป่าจะมีการถือทุดงควัตอยู่ไม่ไม่ครบสิบสามข้อแต่ก็มีอย่างน้อยสี่ห้าข้อเราสามารถเลือกได้เพิ่มได้ตามความต้องการสำหรับเรื่องการ รับประทานอาหารก็เพื่อไม่ให้ใจวุ่นวายกับเรื่องการรับประทานอาหารก็ให้ฉันมื้อเดียวแล้วก็เอาอาหารทั้งหมดใส่เข้าไปในบาทฉันในบาทรนอันนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเลือกจูจ้จี้จุกจิกชอบกินอาหารอย่างนั้นชอบกินอาหารอย่างนี้พอไม่ได้กินอาหารถูกปากก็กินไม่ลง หรือไมออ่ไม่มีความสุขจากการรับประทานก็จะมีอารมณ์เสียจะทำให้เกิดความโกรธได้งุดเกล็ดง่ายเวลาภาวนาก็จะภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าถือธุดงควัดชั้นในบาทชั้นรวมกันนี่คือไม่เลือกอาหารอาหารมาชนิดไหนก็ใส่เข้าไป อะไรที่จะไปรวมกันในท้องก็ให้มันรวมกันในบาทก่อนให้มันถ้าการใช้ในบาทนี้ท่านก็มีอยู่สามระดับของความเข้มขน้นระดับที่ไม่เข้มขน้นระดับธรรมดาก็คือใส่เข้าไปแ ต, แต่แยกไว้คนละด้านกันข้าวไว้ด้านหนึ่งกับไว้ด้านหนึ่งของหวานไว้ด้านหนึ่ง อันนี้ก็เป็นวิธีชั้นแบบง่ายๆไม่วุ่นวายไม่ต้องมีภาชนะมากเพราะถ้ามีภาชนะมากก็เสียเวลามากชั้นเสร็จก็ต้องล้างเก็บเองเพราะพระไม่มีคนคนใช้นะพระอยู่แบบอัตตาหิอัตโนนาเถตนเป็นที่พึ่งของตนต้องทำภารกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการล้างบาตรเป็นการซักจีวรหรืออะไรต่างๆเลยังนั้นมีให้น้อยที่สุดแล้วมันจะได้ง่ายจะได้สบายถ้ามีมากมันก็เหนื่อยมากถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนจีวรหลายชุดนี้ก็ต้องซักหลายชุดเอมัน <laughs> <laughs> ญ, ญาติโยมนี่วันไม่รู้มีกี่ชุดชุดนอนชุดอยู่กับบ้านชุดออกนอกบ้าน ชุดนำรองชุดออกกีฬาชุดออกเที่ยวลาตรีโอ้ยมันถึงวุ่นวายกันมากเรื่องเสื้อผ้าพระทุดงท่านให้ถือผ้าสามผืนนี่นี่ก็ทุดงขวัดให้ถือผ้าสามผืนถือหนึ่งสำรับก็พออย่าไปมีมากมีมากแล้วมันเป็นภาระจะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติ พยายามดึงเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะพระธุดงนี้ท่านถูกสอนให้มองว่าชีวิตนี้ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นไม่ให้ประมาทให้พยายามหาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอนนี้ท่านก็ไม่ให้นอนมากเกินไป คืนหนึ่งให้นอนแค่สี่ชั่วโมงครับตอนเย็นหกโมงถึงสี่ทุ่มก็เดินจงกรมนั่งสมาธิพอสี่ทุ่มตีสองก็ให้พักนอนตีสองก็ให้เต้นขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิาธต่อไปจนถึงเวลาสว่างก็ออกบินทบาทนะนั่นเวลาของพระธุดงนี้มีค่ามาก จะเอามาใช้กับกิจที่จำเป็นทั้งนั้นเท่านั้นส่วนที่เหลือก็เอามาใช้กับการภาวนากับการปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้าการปฏิบัติจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าอยู่ที่การปฏิบัติน้อยปฏิบัติมากเหมือนกับการเดินถ้าเดินมากก็จะเดินได้ไกลถ้าเดินน้อยก็จะเดินได้ไม่ไกล ถ้าอยากจะเดินไกลๆไปให้ถึงที่ไกลๆเร็วๆก็ต้องเดินมากๆถ้าเดินน้อยๆเดินปั๊บหนึ่งก็หยุดแล้วไปพักอีกเดินสิบนาทีพักชั่วโมงเดินเดินอีกสินาทีถ้าอย่างนี้มันกว่าจะถึงก็หลายวันหลายเดือนหลายปีแต่ถ้าเดินสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงพักสิบนาทีเดิน อย่างนี้มันจะไปก้าวไกลไปก้าวหน้าเนี่ยนี่คือหลักการของการปฏิบัติของพระปฏิบัตินี่ท่านต้องการที่จะใช้เวลาของของชีวิตนี้ให้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือไม่ให้เสียเวลาไปกับาการทํากิจกรรมอย่างอื่นที่เป็น ที่ไม่ไม่อื้อต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์กิจกรรมเหล่านั้นท่านต้องระ ง, งับไปด้วยการถือศีลศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยีิบเจ็ดแล้วก็ถือทุดองคขวัตเ่พอมีทุปองคขวัตแล้วมันก็จะทำให้สามารถที่จะ ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เอไม่ให้เกลียดค้านเอให้ไม่นอนมากเกินไปนอนเพียงสี่ทุ่มถ้ารับประทานไม่มากมันจะมันจะไม่ง่วงนอนรับประทานวันละมือนี่มันจะไม่รู้สึกง่วงนอนเหมือนกับรับประทานวันละสามมือรับประทานสามมือแล้วมันจะรู้สึกง่วงมันอยากจะนอน หนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนนั่งสมาธิก็จะหลับสับประงกอันนี้เลยต้องมีทุดดกขวัตแก้ความง่วงคือฉันน้อยๆแล้วว่าฉันง่ายๆฉันในบาทก็มีสามลักษณะลักษณะแรกก็แยกไว้อาหารแยกเป็นด้นดานๆไปลักษณะที่สามก็คือไม่แยกเอาใส่เข้าไป ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบไม่ต้องจัดนะระดับที่สามเอามาคนกันเลยเอามาคลุกกันเหมือนกับเวลาที่เราคลุกอาหารให้สุนัขเ่ยคนมันให้มนันเป็นอาหารจานเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปคนกันในท้องอยู่ดีถ้ารับประทานเพื่อฆ่ากิเลส ก, ก็ต้องรับประทานแบบนี้ถ้ารับประทานเพื่อเลี้ยงกิเลส ก, ก็ต้องต้องแยกต้องมี มีจานมีชามีมถ้วยมีช้อนชนิดต่างๆช้อนข้าวช้อนหวาน <c oughs> ต้องกินอาหารชนิดนี้ก่อนชนิดนั้นต่อมาอะไรตามลำดับนี่กินแบบกิเลสกินแบบตันหาความอยากอยากหาความสุขจากการรับประทานก็เลยมีการพิถีพิถันกับการรับประทานเราก็รับประทานมาก เพราะว่ามันมีความสุขจากการรับประทานแต่เป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่จะดึงให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการที่จะออกจากกองทุกข์จึงต้องถือทุดงคเขวีดยงกันโดยเฉพาะเวลามาบวชเป็นพระนี่บางทีเราเลือกอาหารไม่ได้เราถือการบิณฑบาตเป็นวัดพระจะถือการ การบินทบาตเป็นข้อวัดในการหาอาหารจะไม่ไปสั่งตามร้านอาหารว่าเอาอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นชนิดนี้เพราะเป็นพระนี่ก็ไม่มีเงินทองต้องอาศัยการให้ของญาติโยมก็ไปบินทบาทจะไปบอกญาติโยมว่าจะเอ า, อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องต้องฝึกหาดกินอาหารทุกชนิด วิธีที่จะกินอาหารได้แบบง่ายดายก็คืออย่าไปเลือกอาหารแล้วก็เอามาคุกมาคนกันแล้วมันจะเป็นอาหารจานเดียวทุกวันเหมือนกันมีรสเหมือนกันก็มีรสหวานมันเค็มเหมือนกันทุกวั น, ก น, แบบกนอ ก, ก, นแบบกินแบบกินยาอย่าไปกินแบบกินแบบกิเลส อาหารนี้เป็นเหมือนยารักษาร่างกายรักษาโรคหิวของร่างกายความหิวนี้ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งวิธีที่จะรักษาโรคความหิวก็คือต้องกินอาหารแต่กินอาหารแบบค่ากิเลสหรือกินอาหารแบบให้กิเลสค่าถ้ากินแบบให้กิเลสค่าก็ต้องเลือกเลือกอาหาร แต่ถ้ากินแบบฆ่ากิเลสก็ไม่ไม่ต้องเลือกพระวัดบางวัดนี่เขาไม่ให้พระเลือกอาหารมีวัดหนึ่งอยู่ที่ดอยตุงไอ้ดอยปวยอยู่ที่เชียงใหม่มีบินดาบาตอยู่สองสายสายหนึ่งไปหมู่บ้านกะเหลี่ยงอีกสายไปในวังที่นั่นมีวังภูเพีงอยู่อวังภูเพีงอยู่ก็มีพระเบยดแยกบินดาบาตไปสองสาย อาหารบ้านเกลี่ยงก็เป็นแบบหนึ่งอาหารในวังก็เป็นอีกแบบหนึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ภาพแย่งไปในวังแล้วก็ไม่ไปบ้านเกลี่ยงก็คือให้เอาอาหารที่ได้มาจากทั้งสองที่นี้มารวมกันในหม้อแล้วก็ต้มมันทำเป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเป็นเหมือนอาหารชนิดใหม่ขึ้นมา อาหารในมาจากวัดหมู่บ้านกะเหลี่ยนก็ใส่ไปในหม้อจากในวังก็ใส่ไปในหม้อแล้วก็ใช้เตาอุ่นมันแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาตักใส่บาทรพระมันต้องให้ให้มีให้มีใครมาช่วยตักใส่บาทให้ไม่ต้องไม่ให้พระเลือกอาหารนี่ถ้าให้กินแบบกินแบบกินยา กินเพื่อให้มันหายความหิวให้มันเหียหายหิวกินเพื่อให้มีกำลังวางชาต่อการปฏิบัติเนี่ยอ่ในคือวิธีแก้นิวอนความการมะฉันทะความอยากความติดในรสชาติของอาหารเพราะถ้าปล่อยให้ติดวันไหนไม่ได้กินอาหารที่ถูกใจจะอารมณ์จะเสียจะไม่มี กำลังใจที่อยากจะปฏิบัติจะคิดถึงแต่อาหารที่อเรเด็ดอร่อยที่เคยชอบรับประทานแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ตบบะแตกเดี๋ยวต้องไปหาอาหารกินก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่คือทุดงขวัดฉันในบาดฉันมือเดียวเบนทบาทเป็นวัด การบินธบาติเป็นวัดก็เพื่อส่งเสริมความขยันหมั่นเพียรถ้าจะกินก็ต้องไปบินธบาติพระป่านี้จะเดินไกลอย่างน้อยก็ไปสองสองกิโลกับสองกิโลก็จะทําให้ไม่เกียจคร้านจะทําให้มีกําลังกลับมาจากวัดฉันเสร็จจะได้มีกําลังเดินเดินจงกรมต่อถ้าเป็นพระบ้านบางที ญาติโยมนิมนต์ไปฉันที่บ้านก็ไม่ต้องเดินบิณฑบาตนะหรือวันบางวันวันพระญาติโยมก็มาที่บ้านมามาที่วัดมาทำบุญที่วัดก็ไม่บิณฑบาตกันมันก็เลยทำให้ขาดการขา ด, ขาดการทำความภาคเพียรกันก็เลยไม่ก่อยมีพระบ้านเดินจงกรมกันเท่าไหร่มีแต่พระป่าเนี่ยจะนิยมเดินจงกรม เพราะการเดินจงกรมนี้เป็นการส่งเสริมสติให้มีกำลังมากขึ้นการเดินจงกรมก็คือการปฏิบัติกรรมฐานนี่กรรมฐานให้เวลาเดินก็ให้ดูเท้าก็ได้ดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอันนี้ก็เรียกว่า เป็นการเจริญกายกตาสติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกายกตาสติเวลาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทาของร่างกายกำลังปัดกวาดก็ให้มีสติอยู่กับการปัดกวาดภาพตโดงเวลาท่านมาทำกิจวัตรร่วมกันท่านมักจะไม่คุยกัน ก็ถ้าคุยกันทํากันไปนี่แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับงานนะใจจะฟุ้งใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆเนเวลาทํากิจวัตรไม่ว่าจะเป็นการบินธบารเป็นการปัดกวาดลานวัดเป็นการกวาดถูสาราหรือแม้แต่การขบฉันท่านจะไม่คุยกันท่านจะมีสติอยู่กับกิจวัตรที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบัน อันนี้เป็นการปฏิบัติคือการเจริญสติการปฏิบัติกรรมฐานนี่เองถ้าไม่ฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาจะมานั่งสมาธินี้ใจจะไม่สงบเลย่งต้องคอยเจริญสติคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนก่อนที่จะมานั่งเพราะว่าถ้าไม่ได้คุมไว้ก่อนพอมานั่งมันจะสงบยาก เหมือนกับเวลาที่เราขับรถเราอยากจะหยุดรถนี้เราต้องเหยียบเบรกก่อนถึงจุดที่เราต้องการจะหยุดใช่ไหมไม่ใช่ไปหยุดตง้งไม่ใช่ไปเหยียบเบรกตอนที่ถึงจุดที่เราต้องการจะหยุดเนี่ยมันไม่หยุดทันทีรถมันต้องใช้เวลาชะลอตัวลงกว่าจะมันจะหยุดได้ก็ต้องใช้ระยะทางพอสมควรดังนั้นเราจะกะประมาณไว้ก่อนถ้าเราต้องการจะหยุดตรงนู้นเราต้องเริ่มผ่อนคันเร่งตรงนี้ เราต้องเหยียบเบกตอนนี้ตอนนี้ถึงจะหยุดตรงที่เราต้องการจะหยุดได้ถ้าต้องให้หยุดกระทันหันพอเหยียบเบรกปับ๊บมันไม่หยุดทันทีมันจะต้องเลยป้ายไปเหมือนรถเมย์รถเมย์บางทีผู้ใดยสารพอถึงป้ายแล้วถึงบอกคนขับว่าจะหยุดพอคนขับเหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดตรงป้ายนะมันต้องเลยไปก่อนใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราต้องการให้ใจสงบในขณะที่เรานั่งสมาธิเราต้องเหยียบเบรกก่อนที่เรามานั่งยห็นไหมถ้ามาเหยียบตอนที่เรามานั่งมันไม่สงบนั่งได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันจะเริ่มมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้สึกอึดอัดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามัน ส, สติไว้ลวงหน้าก่อนพุโทโธพุโทโธหรือถ้าเดินจงกรมก็ให้ดูเท้าก็ได้ หรือถ้าทํากิจกรรมอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำํำอันนี้กําลังฝึกสติกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้ากําลังปัดกวาดก็ให้อยู่กับการปัดกวาดซ้ายขวาซ้ายขวาไปปัดไปทางซ้ายปัดไปทางขวาถ้าทํางานอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่อันนี้เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พระทุดงนี้จะพยายามเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนถึงเวลาหลับไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะทำอะไรก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามจ ะ, จะเจริญสติตลอดเวลาเลยนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติคือการเจริญสติคือการเหยียบเบรกเป้าหมายของเราเราต้องจอดเราต้องการจะจอดรถ เราจึงต้องคอยเหยียบเบรกผ่อนคันเร่งเราต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วใจของเราถึงจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เราจึงต้องใช้กรรมฐานต่างๆกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันใช้ไปกับภาวะต่างๆเวลาเดินก็ใช้ ใช้ดูร่างกายดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะใช้พุทธโธบริกรรมไปก็ได้พุทธกา ร, รบริกรรมพุทธโธดีตรงนี้ดีว่าใช้ได้กับทุกสถานการณ์จะเดินจงกรมจะพุทธโธก็ได้นั่งสมาธิจะพุทธโธก็ได้จะทำงานอะไรก็จะพุทธโธไปก็ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ พุโทโธนี่ดีอย่างใช้ได้กับทุกสถานการณ์แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่าต้องพุโทโธบ่อยๆถ้าพุโทโธบ่อยๆแล้วเหนื่อยอยากจะหยุดก็ต้องใช้การดูแทนการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันใหม่ๆนี่ก็สอนใ ห, ให้ให้พูดไปในใจได้ว่าเวลาแปลงฟันก็ให้พูดแปลงฟันแปลงฟันไป <üh raf> เวลาล้างหน้ากับล้างหน้าล้างนาา ห, นหน้าให้พูดล้างหน้าล้างหน้าไปเพื่อจะได้ให้รู้ว่าใจกําลังอยู่กับการล้างหน้ากับอยู่กับการแปรงฟันอยู่กับการหวีผมอยู่กับการแต่งตัวถ้าไม่พูดไปด้วยกํากับไปด้วยเดีย๋ยวลิศสัยเรามันชอบไปที่อื่นแล้ะล้างหน้าไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แปรงฟันก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นี่แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วไม่มีสติควบคุมใจดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี่คือลักษณะของการฝึกสติของการเจริญสติต้องดึงใจให้อยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตเพราะถ้าอยู่ในอดีตอยู่อนาคตจใจจะไม่สงบเพราะใจถ้าอยู่อดีตใจก็ต้องคิดถึงจะไปอดีตได้เช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยากจะคิดถึงเมื่อ ว, วานนี้แล เ, เราอยากจะไปเมื่อ ว, วานนี้เราก็ต้องคิดถึงมันเมื่อ ว, วานนี้เราทำอะไรบ้างเนาะเมื่อ ว, วานนี้เราไปทำอะไรไปเจอใครอันนี้คิดละ ถ้าเราไม่ต้องการให้คิดต้องมาอยู่ปัจจุบันปัจจุบันก็จะหยุดคิดได้ถ้าไม่ยอมหยุดคิดจะไปก็ต้องใช้คำบริกรรมดึงมาพุโทโธพุโทโธนึงมาหรือไม่ต้องไม่ก็ต้องบังคับให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ล้างหน้าก็บอกล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าแปรงฟันก็บอกว่าแปรงฟันแปรงฟันเวลาหวีผมก็หวีผมหวีผม คอยสังเกตดูทุกขั้นตอนของการทำงานว่าใจเราอยู่กับมันหรือหนีไปที่อื่นนะถ้าหนีไปที่อื่นก็แสดงว่าขาดสติถ้าอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ถือว่าเรามีสติเราหยุดเราดึงใจไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปที่นั่นที่นี่ได้ดึงมันกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือการฝึกสติ ต้องฝึกทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะก้าวหน้าสตินี้จำเป็นทุกกรณีเดินจงกรมก็ต้องมีสตินั่งสมาธิก็ต้องมีสติถึงจะสงบได้ถ้าไม่มีสตินี้จะสงบไม่ได้ใจจะหยุดจะไม่ใจจะไม่หยุดคิดจะคิดเลื่อยเปื่อยคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนู้น คิดได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีคิดจะกาทั้งนอนไม่หลับนะที่นอนไม่หลับไม่ใช่เพราะอะไรลรอกเพราะความคิดนี่ไม่หยุดคิดกันคิดด้วยเปื่ยคิดเพราะความวิตกกังวลคิดเพราะความโลภความอยากคิดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่มีความสุข แต่ถ้ามีสตินี่พอนอนหัวถึงหมอนดูลมสองสามครั้งไปละหลับละหรือพุโทโธสองสามครั้งหลับละเพราะไม่คิดอะไรอันนี้คือความสำคัญการที่เราการที่พระปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติมาถือธุดงคขวัดมาปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อมาทำใจให้สงบ เพราะความสงบนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นอมตะความสุขที่ถาวรความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจะมีหรือไม่มีไม่เป็นปัญหาร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บ ใครได้ป่วยไม่เป็นปัญหาร่างกายจะตายหรือไม่ตายไม่เป็นปัญหาเพราะการหาความสุขทางใจนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้สติเป็นตัวหลักตัวที่ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาใช้กรรมฐานกรรมฐานก็คือสตินี่เองสติสี่สิบชนิดเรียกว่ากรรมฐานถ้าใจอยู่กับกรรมฐานชนิดใด ได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าใจมีสติเช่นถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องก็มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องก็มีสติแล้วใจก็จะหยุดคิดได้หยุดคิดแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี้จะได้จากที่เดียวเท่านั้นก็คือจากการทำใจให้สงบ อุเบกานี่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจมากเพราะเวลามีอุเบกขาแล้วจะไม่มีความรักชังกลัวหลงจะสัมผัสรับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีอารมณ์จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะสัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆไปเท่านั้นเองอันนี้นี่แหละคือความสุขของใจ ใจมีอุเบกขาแล้วสบายใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะทําอะไรก็เฉยไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจหวาดเสียวไปกับการกระทําอะไรต่างๆของใคร<ม>กับเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เฉยๆไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดได้จากการมีสติ เกิดไดจากการปฏิบัติเทวดงควัตเราต้องอลดการกระทําต่างๆให้มันน้อยลงให้ทำอะไรที่มีคนมีประโยชน์ก็คือให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญสติส่วนกิจกรรมอย่างอื่นนี้ควรจะตัดมันไปให้หมด แม้กระทั่งกิกิจกรรมที่จำเป็นก็ให้มันมีน้อยที่สุดนะเช่นมีทรัพสมบัติเข้าของนี่ให้มีน้อยที่สุดนะพระพุทธเจ้าให้พระมีสมบัติเพียงแปดชิ้นเพราะจะได้ไม่เสียเวลากับการดูแลรักษามากจนเกินไปเป็นสมบัติที่จำเป็นทั้งแปดชิ้นบาดก็มีไว้บินทบาดผ้าไต่สามผืนก็มีไว้สำหรับนุ่งหม่ม จีวรเข็มก็ได้ก็มีไว้สําหรับอซ่อมจีวรเวลามันขาดเนมีกอนก็มีไว้สําหรับกอนศีรษะกอนหนวดแล้วก็เข็มขัดรัดเอวแล้วก็ที่กรองน้ําสมัยก่อนนี้ไม่มีน้ําปลาปาไม่มีน้ําดื่มที่กรองมาแล้ว ต้องไปตักน้ำตามลำห้วยลำทานหรือลำน้ำต่างๆก็จะมีตัวสัตว์อยู่ในลำน้ำเวลาจะตักน้ำขึ้นมาต้องใช้ที่กรองพิเศษที่ตักมาแล้วจะไม่ไม่ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้ไวเขาเรียกว่าที่กรองน้ำออพอพอตักแบบที่มีที่กรองน้ำจะไม่มีตัว ไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยจะมีแต่ตัวน้ำเปล่าๆขึ้นมาอันนี้เป็นสมบัติแปดชิ้นที่จะทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาต่อการคอยดูแลรักษามากที่อยู่อาศัยยิ่งให้อยู่แบบตามมีตามเกิดนะอยู่ในป่าก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อผาอยู่ในถ้ำอยู่ตามเรือนน้ำ ไม่ต้องคอยดูแลรักษามากถ้าอยู่แล้วไม่สงบก็เปลี่ยนที่ได้ง่าย<ม>ย้ายได้ง่ายพระทุดงท่านจึงถือทุดงถือข้อทุดงเขาว่าว่าอยู่ในป่าจะไม่อยู่ในบ้านในเมืองเพราะสิ่งแวดล้อมในป่ากับสิ่งแวดล้อมในบ้านในเมืองนี้ไม่เหมือนกันถ้าอยู่ตามวัดวัดบ้านวัดเมืองนีนน่มันมีรูปเสียงกลิ่นรสมาก ที่จะมาคอยรบกวนใจที่จะทำให้ใจไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แต่ถ้าไปอยู่ในป่านี้รูปเสียงกดลิ่นล้จะไม่มีมีก็ไม่เป็นอันตรายเช่นเสียงนกเสียงใบไม้เสียงลมพัดเนี่ยมันไม่มีกิเลสเห็นในนั้นแต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเดี๋ยวก็มีเสียงเพลงเดี๋ยวก็มีเสียง เสียงนู่นเสียงนี้มีกลิ่นนั่นกลิ่นนี้กลิ่นอาหารโชยเข้ามาตอนเย็นชาวบ้านก็กินข้าวกันวัดอยู่ติดกับชาวบ้านเนี่ยบางทีก็ได้ยินเสียงได้ยินกลิ่นของอาหารแล้วก็ได้ยินเสียงันเขาดูละครร้องลัมทาเพลงพอมันไปได้ยินเสียงเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นกิเลสความอยากจะทําให้ใจเออ่กังวลกังวายกระสับกระสาย จะทำให้ใจงดเย็ดไม่สงบไม่มีไม่มีกำลังที่จะพุทโธพุทโธไม่มีกำลังที่จะดูลมหายใจแต่ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขานี่มันจะไม่มีอะไรมารบกวนใจเนีย่ยตอนอยู่บนเขานี่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นอะไรที่จะมาะดึงใจให้ไปคิดปรุงแต่ง แต่ถ้าไปอยู่ที่ใกล้มีเสียงร้องล้ำทําเพลงเดี๋ยวใจก็ปุงแสงแหมน่าไปที่ยน่าไปร้องล้ำกับเขาน <c> ะ <oughs> หลวงตาหมาบัวท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปทุดงแต่พระทุดงนี้ก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากเพราะต้องไปบินทบาทก็อยู่ห่างกันสักสองสามกิโลแต่ตอนวันไหนที่เขามีงานนี่เสียงมันดังเสียงร้องล้ำทำเพลงนี่มัน สอสามกิโลนี่มันไปได้ง่ายพอพอได้ยินเสียงร้องนำทำเพลงนี้ใจมันก็เริ่มปรุงแต่งแล้วเอ่เรามาอยู่อย่างนี้ทำไมคนเดียวบ้าหรือเปล่าทำไมไม่ไปร้องนำทำเพลงกับเขาสนุกมีความสุขแต่ท่านก็ใช้ปัญญาแก่บอกว่า ส, สนุกแบบนั้นสนุกแบบติดคุกนะสนุกแบบปลาติดเบ็ดนะ ถ้าสนุกแบบนั้นเราก็จะติดจะต้องกลับมาติดกับความสุขแบบนั้นอยู่เรื่อยๆต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่สู้เรามาหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าดีกว่ามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธดีกว่าเดี๋ยวใจสงบแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจากการร้องําทาเพลง แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ความสุขที่เกิดจากความสงบทำให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายกันไม่ต้องหาความสุขจากการล้องลําทาเพลงจากการมาจัดงานเลี้ยงอะไรต่างๆท่านก็แก้ด้วยปัญญาพอเปรียบเทียบความสุขสองสองด้านแล้วก็อความสุขทางธรรมดีกว่าความสุขที่กําลังพยายามทำอยู่ตอนนี้ดีกว่าเลหยุด ใจก็เลยหายฟุ้งซ่านได้กลับมาพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิต่อได้เนี่ยขนาดอยู่ไกลๆนานๆก็ยังจะมีเสียงข้างบนนี้มีบ้างไม่บางทีข้างล่างเขามีงานกันเนะ่ยแถวซีว่าเล็กนี่เดี๋ยวบางทีเขาก็มีจัดงานมีร้องรำทำเพลงก็เสียงก็ดังขึ้นมาแต่นานๆครัง้งชาววิฒ์อะไรนี้ เราต้องมีสติอย่าไปสนใจอย่าไปคิดปรุงแต่งไปกับมันถ้าปุกคิดปรุงแต่งแล้วใจจะฟุ้งซ่านใจจะดงดเยิดนำคาญงดหยิดกับการอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆนั่งหลับตาเนีน่จึงต้องไปปีกเว้ยเวกไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่ตามป่าตามเขาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยรบกวนใจ นี่ก็เป็นทุดงควัตการอยู่ป่าพระทุดงอะไรต้องเถืข้อุขอ้ขอทุดงเหล่านี้เพื่อที่จะมาช่วยในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เราพยายามที่จะกำจัดกันเพราะกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทาให้ใจเราทุกข์กัน ตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาเราต้องใช้ทุดงควัตในช่วยในการช่วยกำลกลหลักิเลสตัณหาแา่กิเลสตัณหาไม่ตายด้วยธุดงควัตเพียงแต่ทําให้มัน อ, อ่อนกำลังลงสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหาตายก็คือกรรมฐานต้องใช้กรรมฐานใช้อารมณ์ ที่จะทำให้ใจสงบอารมณ์ที่จะทำให้ใจหายอยากหายโลภหายโกรธต้องมีอยู่ที่กรรมฐานเช่นถ้าเราดูร่างกายเราเจริญมานุสสติเราลึกถึงความตายต่อไปเราก็จะรู้ว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับความตายเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายอันนี้การเจริญมานุสติจะสอนให้เราเห็นว่าการยึดติดกับร่างกายจะทำให้เราทุกข์กันพราเวลาที่ต้องมีการแยกกันระหว่างใจกับร่างกายนี้ใจจะทุกข์มากเพราะใจยังรักยังหวงร่างกายอยู่แต่ถ้ามีการเจริญมานุสติอยู่เรื่อย ใจก็จะรู้จักวิธีทำใจให้สงบเวลาเจอความตายก็จะเฉยๆได้จะเป็นอุเบกขาได้ฝึกฝึกทำใจให้เฉยๆมาานุสตินี้ก็ช่วยได้เวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านเลอเหืมเกิมบางที กีเลสมันเหิมเกริมมันคิดว่ามันเก่งพอมันนึกถึงความตายบ้างมันก็จะได้หายเก่งหายหายหา ย, หายจากการมีความเหิมเกิมคิดว่าเก่งคิดว่าจะอยู่ไปนานๆพอนึกถึงความตายแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ไปไม่นานเก่งขนาดไหนเดี๋ยวตายก็ต้องตายมันจะช่วยลดการ ความหลงในอัตตาตัวตนได้ถ้าเราหมั่นนึกถึงมรณานุสติอยู่เรื่อยๆน่าจะทําให้เรามีความเพียรพยายามได้มากขึ้นบางเวลาเราท้อต่อการปฏิบัติพอเราลนึกถึงความตายได้มันก็อาจจะทําให้เราเอาหายท้อก็ได้บอกถ้าไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวตายก็จะไม่ได้ปฏิบัตินะตอนนี้ยังไม่ตาย โอกาสของเราอยู่ตอนที่ไม่ตายเนี่ยจะจะหลุดพ้นได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติเพอคิดถึงความตายความท้อแท้เบื่อหน่ก็เลยหายไปต้องรีบปฏิบัติเนี่ถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวเวลาตายจะไม่ได้ปฏิบัติถ้ายัาง ป, ปฏิบัติไม่ถึงจุดไม่ไม่สำเร็จก็ยังต้องกลับมาปฏิบัติใหม่เรื่อยๆต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆ แล้วการกลับมาเกิดนี่ขาวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยเป็นผู้สั่งผู้สอนก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ให้กําลังใจเป็นผู้แนะแนวทางการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปแบบไม่คืบหน้าเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จะทําให้เราต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นเวลาอันยาวนานดังนั้นสู้รีบมาปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ทําไปอย่าอย่ายกทงขาวถ้าว่าบางครั้งบางเวลามันท้อบ้างก็พักบ้างก็ได้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบางทีกําลังเราตกก็ต้องอต้อง ต้องรอเวลาให้กำลังมันฟื้นขึ้นมาพอมันฟื้นขึ้นมามีกำลังก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้เวลาไหนกำลังน้อยก็ปฏิบัติน้อยหน่อยก็ได้หรือว่ า, ถ, าถ้าต้องหยุดพักปฏิบัติก็พักสักชั่วคราวก็ได้เหมือนกับนักมวยชกกันบนเวทีมันก็บางทีก็เหนื่อยมันก็ต้องพักกินน้ากันบ้างสู้กับกีรติมากๆเดี๋ยวมันก็ มันก็เหนื่อยได้ก็พักแต่อย่าไปพักแบบไปเที่ยวนะพักแบบว่าอยู่เฉยเฉย เ, เ, เพียงแต่ว่าไม่ต้องคอยควบคุมสู้กับกิเลสเนะี่ยก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดาแต่เคยเคยถือศีลก็ยังถือศีลอยู่ไม่ใช่พอพักพักทุกอย่างไม่ใช่นะ ตอนนี้พักแบบว่าพักการปฏิบัติ เ, เกิอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินจงกรมอา้าวก็อย่าไม่ต้องเดินลองมานั่งดูท่านไม่มีเรี่ยวแรงจะนั่งก็อนอนดออูนอนมันสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอมันมีแรงก็ค่อยกลับขึ้นม า, เ, าเดินใหม่นั่งใหม่ถ้าเราไปควบคุมบังคับมันมากเกินกาลังเดี๋ยวมันมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันจะ มันจะคล้ายๆว่ามันจะระเบิดได้มันจะไม่เอาเลยคุมไม่เอาแล้วต่อไปนี้อย่าให้มันถึงไปขีดนั้นถ้าไปถึงขีดว่าพอไปไม่ไหวนิงก็พักสัหน่อยก่พักให้พอให้มีแรงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสู้กันใหม่แต่อย่าพักแบบว่ายกธงขาวยอมแพ้เลยถ้ายกธงขาวนี่ก็กแพ้ทันทีลองคิดว่ากำลังมันมีขึ้นมีลง บางวันก็มีกำลังใจมากบางวันก็มีกำลังใจน้อยเพราะแต่ละวันนี้ใจของเรามีอารมณ์พันแปรเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์มไม่ดีวันที่อารมณ์ไม่ดีก็ปฏิบัติไม่ค่อยได้วันไหนอารมณ์ดีวันไหนอารมณ์มสบายก็ปฏิบัติได้ดีก็ต้องคอยประครับประคองใจไปช้าบ้างเร็วบ้าง ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าหยุดเลยพักได้ต้องมีการพักบ้างผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแต่จะเห็นสมควรหรืออาจจะเปลี่ยนการปฏิบัติจากหนักมาเบาเช่นพักมาดูหนังสือบ้างก็ได้อ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้ เวลาที่เดินจงกรมไม่ไหวเวลานั่งสมาธิไม่ไหวก็ลองมาเปลี่ยนมานั่งฟังเทศฟังธรรมดูมาหนังสือธรรมะดูอันนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายได้บ้างพออ่านแล้วก็จะได้ความรู้ได้กำลังใจขึ้นมาใหม่พอได้กำลังใจขึ้นมาใหม่หมก็กลับไปปฏิบัติต่อไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิต่ออ น, นี้คือการปฏิบัติตั้งมี ความเพียรพยายามพยายามกาจัดความเกียดค้านพยายามกาหนดตารางเวลาของการปฏิบัติของพระนี่ปฏิบัติทั้งทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนั่นคือตารางที่พระเจ้าสอนให้พระใช้ในการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติเดินโยนกอนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ให้มีสติตลอดเวลาให้เจริญสติตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติยังไม่ได้อยู่ที่การนั่งสมาธิหรือโดนจกงกรมเพียงอย่างเดียวการทำกิจกรรมต่างๆด้วยสตินี้ก็ถือว่ามีเป็นการปฏิบัติเพราะเป็นการเจริญสติสตินี้ก็สำคัญมากถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะใช้ให เป็นเป็นประโยชน์ได้จาเป็นต้องต้มีสติมีสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิก็เหมือนกับมีกําลังปัญญานี่เป็นเหมือนกับมีดเนี่ยมีดที่เราจะไปฟันกับฆ่าศึกษัตรูต้องต้องให้คนที่ใช้มีดนี้มีกําลังก่อนคนถ้าคนที่ใช้มีดยังไม่ได้ไม่ได้หลับนอนไม่ได้กินอาหารนี่จะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะ เอามีดนี้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ก่อนที่จะออกศึกนี้ต้องต้องพร้อมทั้งร่างกายก่อนคือร่างกายต้องมีกําลังวังชาต้องได้รับประทานอาหารต้องได้รับการพักผ่อนหลับนอนถึงจะสามารถที่จะเอามีดไปฟันต่อสู้กับข้าศึกได้ปัญญาก็เป็นเหมือนมีดที่เอาไปใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหานองใจ ก็เป็นเหมือนผู้ที่จะใช้ปัญญาในการทำลายกิเลสแต่ถ้าใจไม่มีกำลังใจไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังเหมือนกับคนที่อดยาขาดแคลนไม่ได้กินอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ยังต้องสร้างกำลังให้กับใจก่อนก็คือสมาธินี้เอง ถ้าใจมีสมาธิแล้วใจจะอิ่มจะมีความสุขเหมือนได้รับเหมือนกับได้รับรับการรับประทานอาหารได้พักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาก็พร้อมที่จะไปทำงานได้นังนั้นนี่คือความสาคัญของสติสติจะทำให้ใจสงบทำให้ใจมีสมาธิทำให้ใจอิ่มใจสุขใจมีอุเบกขา อุเบกขานี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้สู้กับกิเลสได้กิเลสโลภก็เฉยได้กิเลสโกรธก็เฉยได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเฉยไม่ไม่ไหวถึงแม้มีปัญญาจะมาบอกว่าอย่าทําไม่ดีสิ่งที่อยากทําเป็นโทษเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ทนไม่ได้เยคนที่สูบบุหรี่ติดสุราติดอะไรต่างๆนี้รู้ว่าไม่ดี แต่หยุดไม่ได้เพราะไม่มีกำลังหยุดไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะมีปัญญามีคนสอนมาคนบอกว่าสุภบุบริไม่ดีนะเดี๋ยวเป็นโรคมะเร็งปอด เ, อเดือนสุราแล้วเดี๋ยวเป็นโรคตับโรคไตแต่พอมันติดแล้วมันเลิกยากแต่ถ้ามาฝึกสติได้มาฝึกสมาธิได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็หยุดได้เลิกได้ นี่คือความสำคัญความจริงปัญญานี้พวกเราก็มีกันมากพอสมควรแล้วเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันแต่เรายังอดที่จะไปอยากไม่ได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังอยากจะเสพยังสัมผัสอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ทั้งๆั้งที่รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ห้ามไม่ได้ แต่ถ้ามาฝึกสติฝึกสมาธิได้พอจิตสงบมีความสุขในตัวแล้วเทนี้ก็ไม่ไปดีกว่าความสุขของความสงบนี้มันสบายกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี้ต้องใช้เงินต้องร่างกายต้องแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะไปได้แต่การมาหาความสุขจากความสงบนี้เพียงแต่มีสติเท่านั้นเอง พอมีสติทําใจให้สงบก็สบายไม่มีเงินก็ก็มีความสุขแบบนี้ได้มีได้ตลอดเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีได้ถ้าไปเที่ยวถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ละถ้าร่างกายถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้เอนี่ยมันจะพอไปไม่ได้มันก็ทุกข์ใช่ไหมพออยากไปแล้วไม่ได้ไปก็ทุกข์สู้มาฝึกสมาธิดีดกว่าฝึกสติดีกว่าะ ฝึกสติมีสติแล้วเราสามารถผลิตความสุขได้ตลอดเวลาความสุขที่ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าอยากจะให้เป็นความสุขที่ถาวรก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดกิเลสตัณหาทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็บอกไปเที่ยวแล้วมันทุกข์เพราะต่อไปมันจะแก่มันจะไม่สบายมันจะไปไม่ได้พอไปไม่ได้มันจะทุกข์ คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะได้เลิกความอยากต่างๆได้อยากเที่ยวอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นได้นี่พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบตลอดเวลาสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราใช้ทุ ด, ดงกรรมฐานเป็นเครื่องมือในการมาควบคุมมาอ กำจัดกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วทีนี้ก็สบายไปตลอดไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับประทานยากันพอหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยา การฝึกสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็คือการกินยานี้เอพอ<ม>พอโลกที่โลกของใจคือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆหายไปหมดเหลือแต่ความสงบเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแต่อย่างใดเพราะไม่มีผลต่างกันนั่นเองจเจริญไม่จเจริญมันก็สงบเหมือนเดิม งานทางปฏิบัติก็จะมีวันสิ้นสุดลงได้พอเรากำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ใจก็จะสงบตลอดเวลางานปฏิบัติก็สิ้นสุดลงไม่ต้องปฏิบัติกันอีกต่อไปมีแต่รับผลของการปฏิบัติคือบรล ม, มัสุขนิบานังพลมังสุขขังใจที่สงบตลอดเวลาปราศจากกิเลสตัณหาเราก็เรียกว่า น, นิพพานเอ นี่คือผลที่จะได้จากการปฏิบัติทุดงกับกรรมฐานเราเ ร, Course, เราถึงเรียกพระปฏิบัติว่ า, าพระทุดงกรรมฐานญาติโยมก็สามารถปฏิบัติทุดงกรรมฐานได้บางข้อที่ไม่เกี่ยวกับญาติโยมก็ไม่ต้องปฏิบัติเช่นบิณทบานต ถ้าจะเอาแบบบิณฑบาตก็เวลาไปร้านอาหารก็สั่งให้เขาจัดอาหารมาให้ไม่ต้องไปเลือกบอกอะไรก็ได้ไปเด็กมาถามว่าพี่จะกินอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่มึงจะจัดมาให้กูก็แล้วกันอันนี้ก็แบบบิณฑบาตยินดีตามมีตามเกิดกินตามมีตามเกิดกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินก็เป็นกิเลสเพราะจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย ถ้ากินเพื่ออยู่ก็จะไม่กลับมาเกิด <c oughs> พอตายแล้วก็จบเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาเรวาหาปุราปาริกปุเรนทิสาคะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะหราโสยทามณิโชติหราโสยทาสัพพิติโยวิวาชานโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีคายยโกภาอภิวาทนศีริตสะนิจังวุฒาปจายโนจัตารโอธรรมวทาันเอายุวันโสุขังภาลาง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b ุ๊ k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบแปดยสองร้อยสามสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้สี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยเก้าสิบเก้าครับคนเดียวนะแต่เจ็ดร้อยหกเก้าเก้ากลายคนเดียว เดี๋ยววันนี้มีชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียเขาอยากจะถามคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ